ก็ได้บวชเป็นท่านแรกจากนั้นอัญญาโกนทญญะยะเมื่อได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแปลว่าพระไตรสาระคมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ในวันนี้เพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นวันนี้พวกเราจึงพร้อมกันมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทําพิธี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 เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหวงพ่อมั่นใจว่าสายที่หลวงปู่มั่นพาประพฤติธปฏิบัติมานี้เป็นหนทางที่ถูกต้องและก็พร้อมกันยุคสมัยนี้ก็มีได้หลายคนหลายแนวทางพวกเราถ้าหากว่าเราจะศึกษาหลายแนวทางพวกเราจะสับสนเสียเวลาของพวกเราอีกไม่รู้จะเดินผิดเดินถูกอีกต่างหาก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 ให้อยู่กับตัวเองในเมื่ออยู่กับตัวเองแล้วจิตใจรวมสงบลงพอชงควรแล้วมีกําลังพอชงควรแล้วให้พิจารณานะให้พิจารณาอะไรบังคับนะจ๊ะโดยมากบางคนพอจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วมันขี้เกียจนะมันขี้เกียจออกพิจารณาเหมือนกับเราเข้าไปนอนในห้องแอร์อย่างนั้นอนะ่ะไปห้องแอร์นอนแล้วก็หลับสบายเย็นสบายในสมาธนะิมันขี้เกียจออกไป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 นันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วเราก็เคลื่อนไปพักในร่มแหละไปพักดื่มน้ําพอพักดื่มน้ำแล้วจะพักนานก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเมื่อพักนานผลงานก็ไม่มีผลที่สุดก็เป็นพนักงานขี้เกียจแต่เนี่ยเพราะไรเพราะเราไม่ได้ทํางานเพราะฉะนั้นเราพักพอหายเหนื่อยแล้วก็กลับมาทํางานอีกพอกลับมาทำงานอี ก, พ, อ ก, อกพิจารณาจนเหนื่อยละผลที่สุดกลับมาสมาธิพอเข้ามาสมาธิ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 ถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิจากนั้นก็ถอนออกมาเป็นจิตปกติธรรมดาเนะนี่แหละในขณะที่จิตเป็นอัปปนาสมาธิแล้วนะนะเรานั่งอยู่นสถานที่ใดเราไม่รู้จักนะเราไม่รู้สึกว่าเรานั่งณสถานที่ใดเสียงคู่เสียงคนเสียงรถเสียงฟ้าร้องเสียงฝนตกเราจะไม่รู้ทั้งนั้นขนาดร่างกายของเราเรายังไม่รับรู้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 ขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้มาต่อนนี้ไปขอให้พวกเราคณะรัทธาญาิโยมนั่งสมาธนะินัตนีนะ